อยา่าไปทำผิดนะแล้วก็วางใจสบายๆนะใจสบายๆก็นก็คือว่าเปิดรับนะเปิดรับฟังนะสิ่งที่ได้ยินนะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็งช่างมัน อย่าใช้ความคิดมากนะฟังทำนี่ไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เหมือนเราเรียนเรียนวิชานะบางทีเวลาอาจารย์สอนไปบางทีมันไม่เข้าใจมันก็แบบพออยายามคิดให้เข้าใจนะแต่บางทีวิชาทางโลกบางทีอาจารย์ก็สอนไว้นะถ้าไม่เข้าใจขั้นนี้จะไปขั้นที่สองก็ก็ไม่ก็ไม่ไหวนช่ไ ถ้าไม่เข้าใจขั้นแรกไปขั้นที่สองก็ก็ลําบากขั้นที่สามก็ลําบากละเนะมันต้องเข้าใจเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปแต่ธรรมะเนี่ยนะมันมันไม่ได้แบบนั้นหรอกนะธรรมะเนี่ยเวลาพูดนะก็มันก็เข้าใจได้บ้างอยู่นะแต่มันก็ไม่เข้าใจเสียทั้งหมดหรอกนะมันเหมือนมันต้องเกิดจากการที่เราประสบ พบเห็นสภา ว, วานะธรรมด้วยตัวของเราเองนะมันเกิดจากการที่มันสัมผัสกับความรู้สึกอย่างนั้นได้จริงๆนะหรือมันเห็นอาการอย่างนั้นได้จริงๆนะมันถึจะเรียกว่านะเข้าใจเนะพระเทียนท่านบอกว่ามันมีรู้นะมันมีลายแบบนะ ร, นะรู้จํานะรู้จับรู้แจ้ง รู้จริงอนะนะรู้จํานะเราอ่านหนังสือแล้วได้ยินได้ฟังนะเราจําได้นะนะรู้จักนะบางทีก็คิดแยกแยะวิเคราะห์หรือบอกสอนได้นะการรู้จํารู้จักเนี่ยรู้กันเยอะบางทีก็รู้ธรม ร, ธรมะเพื่อทถียนกันระู้ธรรมะเพื่อนะ เพื่อสแสแดงสถานภาพกันก็มีนะแต่การจะปฏิบัติธรรมจริงเราเน้นความความรู้แจ้งรู้จริงนรู้จริงนะถ้ารู้จริงแล้วบางทีพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้นะอืมอธิบายนะบางทีก็อธิบายยากก็มันก็ไม่อธิบายนะแต่จะเน้นเน้นให้เราได้สัมผัสสภาวะความรู้สึก บางทีมีคนมาถามสภาวะาอะไรบางทีถ้าเราเรียกว่าโอกาสมันเหมาะนะพรียาใจะเน้นที่รู้จักสภาวะไปเลยอย่างเมื่อตอนต้นเดือนนี่ก็มีมีคนจีนนะเคยปฏิบัติธรรมที่อาสมิเดยธรรมที่ปากช่องนะก็ประมาณสิบวันสอ น, นก็ต้องผ่านล่าวนะภาษาแปลภาษากันอันนี้คำถา ม, มก็มียะ รู้สึกตัวเป็นแบบไหนนะหรือว่าที่ทำมันถูกพืดยั้งอะไรปรนะมาณนั้นะมาก็พยายามเอาแบบตรงๆนะนะลองจับดูซนะินะรู้สึกไหมมาจับนตะัวเองด้วยรู้สึกไหมยอื่ยความรู้สึกที่มันสัมผัสเนะี่ยมันก็ไมีมันอธิบายยากนะแต่มันสัมผัสได้นะ่นะบางทีไนดะ้นะนะนะ ให้ลามนะจับตัวที่เนะียรู้สึกไหมนะถ้ารู้สึกตัวแบบนี้ได้นะก็เนี่ยแหละความรู้สึกตัวนะ่นะเรารู้สึกจริงๆนะว่ามันมีการสัมผัสเนะี่ยความรู้สึกตัวนะหรือบางครั้งเนะี่ยที่อัศม์นะลมมันพัดดีนะลมมันแรงดิลองพัดปนะุ๊บเนียรู้สึกไหมนะเนะี่ยคือความรู้สึกที่ปัจจุบันเะนะนี่ยบังทีเราไม่ต้องพูดก็ได้แบบ รู้สึกว่าลมพัดไม่ต้องไปหาก็ได้ว่าลมมันมาจากทิ่ไหนเราแค่สัมผัสตอนที่สภาวะมันสัมผัสกับลมสัมผัสกับร่างกายนะเมื่อเรารู้สึกตัวว่าว่ามันถูกกระทบแล้วเนี่ยคือความรู้สึกตัวเนี่ยจริงความรู้สึกตัว ม, มันมันมีนะแต่บางทีมันมันไม่มีมันลืมไปเพราะว่าเราไปคิดอย่างอื่นก็เคยก็มี มีอาจารย์นะักพานักศิลป์จากญี่ปุ่นนะมาสนทนาธรรมที่ที่อาศมก็เป็นช่วงที่ครอบคนจีนอยู่ด้วยมีทั้งคนจีนมีทั้งคนญี่ปุ่นปนะนกันหมดคนไทยด้วย <c oughs> ก็มาเขาก็ไม่ค่อยรู้จักวิธีปฏิบัติธรรมนะก็พาลองนะนะลองกำมือแบมือรู้สึกไหมนะ่ะก็ถามว่ารู้สึกน่ะกำมือแบมือทำอะไรก็แกล้งนะ่ะ นักศึกษาก็นหนึ่งก็ต้องถามก็าดูเป็นผู้ชายนะอ่ามีมีพี่น้องกี่คนบนอะกมีสองคนอนะ่ามีน้องชายคนหนึ่งพ่อแม่ยอยู่หรือเปล่ายังอยู่ไหนยังอยู่อยู่ที่บ้านใช่ไหมน้องชายอยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใชอ่าพอถามไปตะพังเมื่อกี้ดู้ไหมว่ามือกำหรือแบ่เออเขา วิก ไ, ไม่รู้เพราะว่าใจไปคิดถึงพ่อ <c oughs> ถึงแม่ถึงบ้านใจกลไปที่ญี่ปุ่นตามคําถามที่มาหลอกล่อไปก็คือแค่พยายามให้เขาได้เห็นว่าที่จริงยังเขาเขายังกรรํามือหรือแบงมืออยู่มันต้องมีท่าใดท่าหนึ่งใช่ไหมแต่พอใจเขาไปคิดนะถึงที่บ้านถึงคนอื่นนะมือที่กำห ร, รๆๆๆๆือแบงอยู่เขาก็องมีรู้สึกใช่ไหม แต่นี่เพราะว่าเราพยายไมให้เห็นว่าที่จริงร่างกายมันมีอยู่แล้วนะสภาวะของร่างกายนยะมันมีอยู่แล้วแต่พอใจเรามันลอยไปที่อื่นนะมันก็เลยดึงร่างกายแต่นั้นก็คือว่ามันไปเพราะว่ามีมีคนถามเนาะมีคนถามก็ต้องตอบไปแต่แต่หลายครั้งนะที่ใจมันลอยไปเองไม่มีใครถามไม่เกี่ยวเนื่องกับอะไรหรอกแต่ เราก็ปล่อยใจเราลอยไปนะปล่อยใจลอยไปอดีตบ้างปล่อยใจลอยไปอนาคตบ้างหรือปล่อยใจลอยล่องลอยไปกับข้างๆตัวบ้างอันนี้แหละหรือปฏิบัติธรรมที่เราก็คิดนเนี่แหละคือใจเราลอยใจเราฟุ้งซ่านก็เลยดึงดึงร่างกายดึง ร, ร่างกายการปฏิบนะัตินะพอพอมาถามว่ารู้สึกไหมว่ามือหรือกำลังแบกอยู ก็ลองกลับไปดูสิก็รู้สึกกลับมาแล้วกลับมาล้เมื่อกี้มันดื้อนะไม่เป็นไรพอกรรมลันะพอแย่ใหม่นะมันมันรู้สึกได้รู้สึกความรู้สึกตัวเนี่นะถ้าเราแยกได้ว่าสภาวะที่รู้สึกตัวเป็นแบบไหนนะรู้สึกตัวเป็นแบบไหนความหลงไปความลืมตัวเป็นแบบไหนเนะเราจะปฏิบัติทำได้ง่ายนะ ไม่ต้องมีคําถามมากนะบางทีมันก็สงสัยนะแต่ลองลองวางความสงสัยแล้วก็อนะลองจับตัวเองดูนะหรือบางทีเราทำรู้สึกตัวจริงหรือเปล่าอ่นะลองตั้งใหม่ดูนะอมือวางไว้ใหม่ทิกมือใหม่นะยกมือใหม่อนะมาตั้งต้นใหม่รู้สึกใหม่เลยนะหรือเดินรู้สึกตัวหรือเปล่านะ้อง หยุดยืนก่อนห <c oughs> ยุดยืนยิ้มหน่อยตั้งไหนยก็ได้นะลองยิ้มดูสิรู้สึกไหยรู้สึกใบหน้าไหม <c oughs> รู้สึกใบหน้าที่ยิ้มไหมเนะี่ยแหละเน่ยรู้สึกนะตามองไม่เห็นใบหน้านะแต่ใจเรารู้สึกได้ว่าหน้ามันพูดยังไงไปยิอกี้ ม, มานะักแต่มันคือความที่ใบหน้ามันมีปฏิกิริยานะของร่างกาย ตอั้งจิตใจมันก็รู้สึกว่าเปิดบานขึ้นเลยใช่ไหมนี่นี่คือรู้สึกตัวได้นะก็ถามเลยนะมีมีพิซูนีก็ที่สงสัยแล้วก็ดูเป็นคนเคร่งเครียด น, นะก็ถามอนะไรอย่างนี้ลองยิ้มรู้สิเขาก็ยิ้มรู้สึกไหมรู้สึกแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนเสียแซ่เหมือนกันคือข้างในมันข้างในมันอาจจ ะ, จะบแบบไม่อะไรนะ มันไม่ค่อยมีความสุขนะบางทีแต่พอยิ้มน่ะมันก็ทิ้งเขาก็ยิ้มสวยนะใบหน้าก็ยิ้มเขืไว้นะแต่ใจรู้สึกว่ามันยังยังไม่ค่อยนะเบิกบานเท่าไหร่แต่หมาก็ที่ยิ้มก็ดีนะถ้ารู้สึกตัวว่าร่างกายมันยิ้มแต่ใจมันยังอาจจะเสแสร้งบ้างแต่เมืเขาก็รู้ทั้งกายและทั้งใจนะแต่เขาทิ้งแค่รู้สึกว่าทําไมมัน มันไม่สอดคล้องเปด้วยกันใช่ไหมอืมมันไม่สอดคล้องก็ไม่เป็นไรนะที่จริงเนะีก็เห็นว่าร่างกายมันเป็นแบบนี้นะแต่จิตใจมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะถ้าเข้าใจจริงเออจะเริ่มแยกแล้วนะอ๋อร่างกายเป็นแบบนึงจิตใจเป็นแบบนึงแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้คําถามที่มันสงสัยนะพอแค่ยิ้มนะความสงสัยก็หา ย, ยไปเยอะเลยอ๋อรู้สึกตัวเป็นแบบนี้นะ ถ้ารู้สึกตัวนะความสงสัยมันก็จะจบมันก็หมดไปแต่บนงทีเราเศร้านะลองตั้งสติเมื่อกัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไปเยี่ยมคนป่วยนะที่โรงพยาบาลผู้ป่วยแบบนอนติดเตียงนะอยู่โรงพยาบาลบ้างอยู่ที่บ้านบ้างก็ไม่ได้เป็นผู้ป่วยหรอกที่เศร้าที่ทุกนะญาติผู้ป่วยก็ทุกนะ ก็ไปอยู่เคสหนึง่งลูกชายป่วยแม่มาเฝ้าแม่มาเยี่ยมลูกชายน่าจะอา ก, การอา ก, การหนักน่าจะรักษาไม่ได้แต่ก็ยังดืมตายอะไรอยวแต่ก็ใส่ท่อนะก็หลายอย่างแม่อยู่ ใ, ใกล้ก็จับมือลูกพอเห็นพระไปนะยิ่งร้องไห้เลยตอนแรกก็น้าตาเฝ้าเ่ใๆพอพระไปอะไรร้องไห้ ร้องไห้พูดอะไรไม่ออกนะัเวลาร้องไห้ในชะ่ไหมเราก็รู้สึกยเยอะนะก็ให้หมอมีนักศึกษาแพทย์อยู่ใกล้ๆหมอลองลองลูกลองจับตัวคุณป้าในสิเนี่ยลองลูกคุณป้าในซิกรู้สึกไหมก็รู้สึกอยู่บ้างนะแต่ก็ยังแบบเศร้าๆยังไม่หยุดเท่าไหร่มาเลยนะเดี๋ยวโยมย่เนี๋ยวลองก็ถึงนะ ทำหายใจเข้าด้วยซิก็พาเขาหายใจเข้าหายใจออกลึกๆนะสามครั้งเขาประกฏว่ามันก็เลิกร้องไห้ได้ <c oughs> นี่คือเรียกว่าพาเขาสัมผัสต่อสภาวนะ บางทีจะบอกว่าไม่ต้องเศร้าไม่ต้องร้องไห้ให้กลับมารู้สึกลงบางทีพูดเฉยเฉยมันเขาก็เขาก็อาจจะยังทําไม่ได้นะสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกแต่แนะน้องให้เขากับสัมผัสกับสภาวะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเขาก็รู้สึกไปกับการหายใจนะแค่สองสามรอบนะก็ทั้สติแล้วนะก็ก็หยุดร้องไห้นะก็จับมือลูก จับมือลูกลูกก็นิ่งขึ้นนะแต่สักพักหนึ่งคุยกันอีกถามอาการลูกนาทีสองนาทีเ็เริ่มเศร้าแ ล, ล้ว <c oughs> ก็หายใจใหม่โีคหายใจใหม่หายใจเข้าหายใจออกใหม่ก็ได้สติเข้ามาเนี่ยคือจะเรียกว่าเป็นความมหัสจารย์ของความรูดสตั ว, ตว <c oughs> ก็ได้นะนเวลาเศร้ามากๆนะนพอเรากลับมา รู้สึกตัวกับอินดียวบทอะไรก็ได้นะอนะกับลมหายใจก็ได้นะหรือกับมือที่เคลื่อนไหวก็ได้นะนะัมันจะทําให้เรากลับมารู้เนื้อรู้ตัวเมื่อเรากลับมารู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยใจมันจะกลับมาเป็นปกติใจมันจะหยุดความปุ่มแตะชั่วขนาหนึ่งนะ แต่ไม่ใช่ว่าจะหยุดตลอดไปหรอกนะมันหยุดช่วงขนาด น, นึงเมื่อเรากลับมารู้สึกตัวนะแต่บางทีมันก็อาจจะเพ้อไปอีกนะเราก็เพียงแค่รู้สึกก็ได้รู้สึกนะถึงความรู้สึกนั้นๆต่อไปนะนี่คือความรู้สึกตัวนะเบื้องต้นนะ่ะเราสามารถรู้สึกตัวที่ร่างกายนะร่างกายเคลื่อนไหวอย่างไรร่างกายทําอะไรเราก็รู้สึกไปตรงนั้นแหละ นั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยทําได้ตลอดเวลาทําได้ทุกที่ใช่เพราะว่าเรามีร่างกายอยู่ในทุกที่ทุกผลทุกแห่งร่างกายเราก็เคลื่อนไหวได้ทุกผนทุกแห่งนะใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนบ้างหายใจเข้าหายใจออกบ้างนะตลอดเวลาเลยโยนั้นเราจะรู้สึกกับร่างกายเนี่ยได้แทบตลอดเวลา ยกเว้นคนที่สภาพเหมือนเป็นนอนแบบต้องใช้เครื่องช่วยหายใจขยับอะไรไม่ได้นะเวลาไปเ ย, ยียดผู้ป่วยเลนั้นจะให้พิกมือก็ไม่ได้จะให้ดูลม mm hmm. หายใจ ก, ก, ก็ลำบากใส่ท่อช่วยหายใจก็ใส่ยมบริกรรมก็ได้นะพุโทโธก็ได้น ะ, ะหายใจประมาณว่าก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธออกก็ได้นะ อย่างไรก็ให้ใจมีเครื่องอยู่นให้ใจมีเครื่องอยู่พูดโทรอยู่ในใจนะ่นะเพราะมันไม่ต้องใช้ร่างกายขยับก็ก็สามารถบริกรรมได้นะอืมแต่ถ้าจะดีกว่านั้นนะ่ะแต่ก็สอนอยากบางทีคนที่เขาพูดไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะแต่เช่นดีกวนั้นนะจําไว้ก็ได้โยมื่อวันนึงเราหายใจเองไม่ได้นหะรือวันหนึ่งเราขยับอะไรไม่ได้นะ พอพุทธโธก็ได้นะพุโทโธไปใจระไปปุ้งเรื่องอื่นนะให้เรารู้ทั น, นขณะที่พุโทโธก็รู้นะก็รู้ว่าใจมันท่องพุทธโธการที่ใจมันเผลอออกไปก็ให้เรารู้ว่าใจมันเผลอออกไปนั่นะนะก็คือพุโทโธเป็นการตั้งสติตั้งสมาธิในการกระทาที่ปัจจุบันแล้วก็เห็นใจมันเผลอออกไปลืมพุโทโธ นะก็เรียกว่ารู้ทันนะสติก็รู้ว่าใจมันเผลอไปอันนี้ในกรณีที่ที่ทำอะไรไม่ได้ในการเคลื่อนไหวไม่ได้นะแต่ถ้าเราเคลื่อนไหวได้อยม เ, เราเพื่อเคลื่อนไหวไปรู้สึกตัวไปด้วยแต่ถ้ามันรู้สึกตัวไม่ค่อยดีไม่ค่อยชัดเราก็ต้องเพิ่มการเคลื่อนไหวอย่างอื่นมาดึกสติมาเพิ่มนะอย่างเช่นอย่าตัวมา บางครั้งก็ทํานะบางทีถ้าเราเดินจังกรมบางทีใหม่ๆเนี่ยเดินเฉยๆน้ำปุ้งเยอะอาตมาถ้าเดินน้งปุ้งเยอะปุ้งเยอะมากสังเณรบางทีก็ไม่เดินเฉยเดินก็มือสมมติมือควยไว้ข้างหลังก็กำไปด้วยบางครั้งนะ่ิทย์ตลอดอะช่วงไหนปุ้งมากๆก็เดินไปกํามือไปด้วยบางทีมันก็หลุดไปในขณะที่เดินใช่ไหมบางทีก็กลับมาับการกําบ้างบางทีก็ดลุต่อไปอยู่ละ บางทีก็กลับมารู้กับการเดินบ้างคล้ายมีมีสองตัวช่วยนะมีการเดินเป็นการเรียกส ต, ติมีการกำมือเป็นการเรียกสติหรือบ า, างครั้งพุ่งมากจริงๆเหายใจช่วยหายใจเข้าดึงส ต, ติกลับมาอะไรนั่นคือบางทีมันฟุ้งม า, มากๆแล้วก็ใัยร่างกายเราเน่ะช่วยหลายๆอยางนะแต่ไม่ใช่ทําตลอดเวลานนะ พอพอความปุ้งมันน้อยลงหรือว่ามันไม่แรงมากก็ปล่อยแค่รู้สึกกับการเดินเท่ากับการปุ้งไปอืมแต่ตอนไห น, นมันมันมากเกินไปแล้วก็อาศัยเกิดช่วยม่วงนอนก็เหมือนกันเนี่ยง่วงนอนบางทีก็เดินเฉยๆม่วงเดินไปกําหนดลมหายใจเข้าดึกเึ๊กช่วยพอมันไม่ม่วงมากเท่าไหร่ก็ปล่อยไม่สนใจลมหายใจก็จรู้สึกแค่การเดินอืม มันทีเดินไปก็ง่วงมากอืมองเน่ะมองใกลกๆมองดูธรรมชาติชอบดูท้องฟ้าดูแใจมโป่มันโลกงนะมันง่วงอ่ะมันใจมันเหมือนห่อเหี่ยวเนาะมันเหมือนซึมๆพอดูท้องฟ้าแใจมันโป่งดิโป่งดิถ้าดูท้องฟ้าแล้วมันยังไม่โป่งนะมาดูพระอาทิตย์เลยมันแสบตาไงดูพระอาทิตย์มันแสบตามันก็ตื่นอ่ะ พ่อไปเลยนะน้องฤๅษทิดคือเราหาตัวช่วยอหาตัวช่วยทําำไงก็ได้ให้มันดูดออกมาจากอารมณ์นะอารมณ์ความง่วงอารมณ์ความคิดนะปลดออกมาก่อนมันก็เหมือนทําเหมือนเล่นเกมเหมือนสนุกสนุกนะเหมือนบางทีเราก็แพ้มันบางทีเราก็ชนะมันน ะ, น ะ, นะก็ทำแบบนั้นไปเรื่อยจน เราก็สังเกตตัวเองว่าอ๋อทําแบบนี้แล้วแล้วมันรู้สึกตัวกลับมาได้หรือถ้าทําแบบนี้แล้วมันมันดุดเข้าไปอยู่ในความคิดอยู่ในอารมณ์มันมันจมออกไปแล้วก็สังเกตดูตัวเองแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะอบางคนทํำแบบทํำหลายๆอย่างแล้วมันเครียดแล้วมันเกรงแล้วมันกังวลก็ก็ให้รู้ทันใจเราที่มันเกรง มันเก่งก็ทีมันตั้งใจเดินไปมันกรงเครียดก็ก็พอนิดหน่อยนะแต่มันเหมือนเป็นการปรับนะมาว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนเป็นการปรับคือมันจะสุดต่งสองด้านนะสุดโต่งด้านหนึ่งคือด้านตึงเครียดเข่งจ้องตืดอัด น, นะตั้งใจมากเกินไปอีกด้านหนึ่งเป็นด้านที่แบบหย่อนนะหย่อนคือฟุ้ม ลอยรู้แบบรู้แบบไม่ค่อยรู้ชัดเจนนะมันจะลอยไปเนี่ยมันจะสูดตรงอยู่ตองด้านนะแต่เมื่อไหรที่เรารู้ตัวว่าเราสูดตรงนะจิตมันจะกลับมาตรงกลางแต่มันกลับมาตรงกลางนิดนึงนะมันก็จะไปและไม่ด้านใดก็ด้านหนะึ่งเช่นบางทีเราฟุ้งซ่านนะถ้าเราปฏิบัติบางทีถ้าเราปฏิบัติผิดนะ มันจะไม่ค่อยกลับมาตรงกลางเราจะไม่รู้สึกเช่น เ, เราคิดเนี่ยบางทีเราก็จะดึงเลยดึงแรงๆกลาเป็นกดขม่มมันจับจับฟุง้งหรือว่าจะบย่อนนะกลายเป็นตึงไปเลยมันข้ามความเป็นกลางนะเพราะเราจะพยายามข่มไว้นะไม่ให้มันคิดนะข่มอารมณ์ไว้ไม่ให้มันรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้นะมันจะกลายเป็นตึงไว้แต่พอตึงมากๆมกันกเหนื่อย เหนือ่อยก็ปล่อยอปล่อยก็กลายเป็นปุ้งไปบบหมดกำลังหมดกำลังดึง ม, มันบางคนถ้าปฏิบัติแบบแบบขมมากตึงมากตอนที่ปฏิบัติมันอาจจะดูไม่ค่อยคิดแต่ตอนในท่าที่มันไม่ได้ปฏิบัติเช่นก่อนจะนอนอะจะดตรงไหยเยี่หรือบางคนพอยืนยบนที่ผ่อนคลายเช่น พออาบน้ำพอกินข้าวเนี่ยมันจะพุ้งออกมาเยอะเลยเพราะว่าเรากดมันไว้เยอืะเรากดมันไว้ตามปฏิบัติพอรียจะกดที่มันดืมดืมกดดืมปฏิบัติเนี่ยมันมันจะปุ้งออกมางั้นหลายคนที่ถ้าทําแบบกดข่มอ่ะหรือว่าตั้งใจมากๆ า, กากนะมันก็จะสบุบหรือว่าพุ่งน้อยตอนที่เราทําในรูปแบบหรือตอนที่เราอาศัย ตั้งใจไปข่มอารมของความคิดแต่พอเผอเมื่อไหร่มันก็ออกมาแต่การปฏิบัตินะแบบจตสติเราจะเน้นว่าดูเฉยเฉยนะรู้เฉยนะเฉยคืออะไรเช่นมันคิดเราก็แค่รู้ว่ามันคิดนะจิตมันจะกลับมาเป็นปกติหรือรู้ว่าร่างกายมันตึงนะที่จริงพอรู้ว่าร่างกายมันตึงนะมันจะปรับว่ามันมาเป็นปกติเอง หรือว่ารู้ว่าใจมันตึงใจมันเครียดนะจิตมันจะปรับมาเป็นเป็นปกติของมันเองนะแต่ความเป็นปกติเนะี่มันก็เป็นการรู้แล้วก็วาง น, นะคำว่าสติหรือผู้รู้หรือตัวรู้เนะี่ยมันไม่ใช่จะรู้ตลอดเวลาแต่มันเป็นเพียงแค่สภาวะเป็นเพียงแค่สภาวะนะหนึ่งที่ รู้เป็นขะนาะด่ะรู้เป็นขนาดอย่าไปรู้เยอะรู้แล้วก็วางนะดัง น, นั้นถ้าเราปฏิบัติจริงๆนะมันจะมีสิ่งสองสิ่งคืออาการนะอาการของกายก็ดีอาการของใจก็ดีเนะี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้สติเป็นผู้รู้นะกายเคลื่อนนะสติรู้นะ กายเคลื่อนไหวนะกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้สติเป็นเพียงแค่ผู้รู้นะหรือจิตมันเคลื่อนจิตมันคิดนะจิตมันอาการของจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาถูกรู้สติเป็นเพียงแค่ผู้รู้มันจะแยกตัวใ น, นออกได้เพราะกายเคลื่อนใจรู้นะหรือใจคิดก็มีสติที่รู้อีกทีหนึงมันจะเห็นว่าอาการของกายก็ดีนะ บางทีมันดูเหมือนเอ่กความรู้สึกที่เราไ่ต้องเป็นกายของเรา่งพอเรามีสติจริงๆนะมันเหมือนเป็นเส้นขนยนเป็นแส่นขนยนที่เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาจอแลนเ่ก็มามเจอที่บ้านลโอเคิ้แล้วเจออะไรก็บอกเดินไปเดินมาแล้วก็ เราก็ไม่ต้องไปไปแบบดูแบบจ้องมากๆนะไม่ต้องดูแบบจ้องมากๆนะก็ปล่อยมันเห็นกายมันเดินใจก็เพียแค่รู้นะเห็นแล้วก็ดูนะดูความคิดมันเกิดขึ้นก็เหมือนกันมันให้ดูเหมือนมเราดูอยู่ที่พุทธบาทนะรถมันจะวิ่งไปวิ่งมาก็ปล่อยมัน เราจะไปห้ามนะแล้วก็บางทีเราก็เผลอแล้วก็จะไปตามความคิดบางทีเราก็เผลอแล้วก็จะไปห้ามความคิดแต่พอเรารู้ทันเหมือนเรากระโดดกลับมาอยู่บนฟุตบาทความรู้สึกตอนนีแบบนั้นนะมันมันไม่ใช่อยู่ตรงกลาง ร, ระหว่างระหว่างตรงเส้นกลางถนนนะแต่จริงมันเหมือนบุดออกมาอยู่คนละแห่งกับสภาวะที่มันถูกรู้ ในที่เราก็ลองทำนี่นะสังเกตดู๋ยมก็เวลาปฏิบัตินะให้สังเกตดูกายมันเคลื่อนก็ส่วนหนึ่งใจที่รู้ก็ส่วนหนึ่งหรือใจที่คิดก็ส่วนหนึ่งใจที่รู้ก็ส่วนหนึ่งนะให้มีผู้รู้และปสิทธิที่ถูกรู้นะท่านนี้ถึงจะเป็นตัวก็วเลียกที่ว่ามีสติอย่างเช่นอนะ่ะบางทีการสัมผัสเนะี่ยอืมันก็มีทั้ง เขาตัวรู้แล้วก็ตัวทสิสุรู้เนะมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละในขนา น, นั่นแหละนะเนี่ยแต่บางทีก็ถ้าไปพยายามคิดแย้งก็งงก็ไม่ต้องคิด <c oughs> ก็รู้แบบนได้ไปไปเรื่อยๆนะแต่ก็ก็ดูไปเรื่อยนะนะแต่บางทีเราก็จะเห็นบางครั้งสติเราเห็นแล้วก็จะเห็นได้เร็วอันนี้คือร่างกายเนาะหรือบางทีในชีวิตประจำวันเราก็สามารถ ดูอารมณ์ดู จ, จิตใจแทกเข้าไปด้วยเมื่อวานนี้ก็มีเพื่อนนะมามาหาตอนเย็นนะก็มาคุยนะก็มีลูกน้อยนะก็ประมาณว่าช่วง น, นี้ไม่ได้ปฏิบัติทำเลย <c oughs> ก่อนมีลูกก็ได้ปฏิบัติทำไปเข้าพอรที่นั่นที่นี่มาแต่พอมีลูกทําเลี้ยงลูกมาก็แนะนําว่าที่จริงเลี้ยงลูกนะั้ก็ปฏิบัติทำได้ เราจะทำอย่างไรเช่นบาทีรู้ดือ้อ น, นะรู้ทันใจเราที่ไม่พอใจเนี่ยรู้ทันใจที่ไม่พอใจรู้บอกง่ายรู้น่ารักรู้สึก ด, ดีใจชอบใจก็รู้ใจเราที่มันชอบใจอหรือเกิดปัญหาสมมติมีปัญหาในครอบครัวบางอย่างนะเรารู้สึกไม่พอใจรู้สึกหงุดหงิดก็ให้เรารู้ทันใจที่มันไม่พอใจ นี่นแหละนั่นคือที่จริงในขณะที่เลี้ยงลูกอยู่กับครอบครัวถ้าเรากลับมาสังเกตที่ใจได้นะนั่นคือการปฏิบัติธรรมนะอย่าไปคิดว่าปฏิบัติธรรมคือเราต้องไปอยู่วัดต้องไปนั่งสมาธิหรือต้องเดินจกงกรมเท่านั้นรู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่คิดนึกหรือมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจเนะี่ยเราก็มีสติแค่รู้เฉยๆนี่แหลคือการปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหละทท น, น, ลนะ แล้วไม่ต้องแล้วที่จริงหลักสำคัญการมันจะไจริงพยายามรู้ให้มันซื่อๆกลางๆเฉยๆที่สุดรู้แบบซื่อๆรู้กลางๆรู้แบบเฉยๆอะไรรู้แล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันจะยากตรงนี้แหละเพราะว่าจะดิบคนเราใหญ่มากอยากจะไปจัดการนะถ้าอะไรไม่ดีมันอยากจะไปจัดการกับอารมณ์นั้นให้มันหาย หรือถ้าอะไรที่มันดีมันก็จะจัดการในแบบนี้นะจัดการแบบประคองรักษาให้มันอยู่มันจะรู้ซื่อเฉยแล้วก็แบบไม่สนใจว่ามันจะเกิดจะดับจะอยู่หรือไม่อยู่เน่ะมันยากตรงนี้ถ้ารู้แบบซื่อเฉยเนี่ยเราจะเห็นสภาวะมันเกิดมันดับมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนของมันโยงเนี่ยมันเปลี่ยนแบบไหนเราก็ตามรู้ เราก็ตามรู้อย่างที่ที่มันเป็นนัาาา่นแหละแต่สภาวธรรมที่รู้นะในจิตใจเนะี่ยมันต้องรู้แบบที่ที่ปัจจุบันนะไม่ใช่รู้นานมาแล้วพึ่งคิดได้เนะี่ยไม่ใช่นะมีคนจีนคหนึ่งก็เขาต้มาปฏิบัติธรรมหลายคอร์สเขาต้องมาถามนะมาถามคือมีมีครั้งหนึง <surgery> ่งเขาบอกว่าเขาโกรธนะ แล้วเขาเพิ่งมาคิดได้อีกวันนึงว่าเขาโกรธนะอันเขาบอกว่าอันนี้คือเรียกว่ามีสติไหมเ <c oughs> วลาเขบอกไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เื่อมีสติอนะ <c oughs> แล้วบอกก็รู้สึกก็สติมอยู่ตรงไหนบอกนะก็ก็ตลองย้อนถามวา่แล้วตอนที่โกรธนะเออแมืตอนที่เริ่ได้ว่าโกรธนะตอนนั้นน่ะใจรู้สึกยังไงเขารู้สึกเสียใจ เสีใจคืออะไรคือมันมันรู้ตัวช้าเนี่ยใช่ไหมโกรธเป็นเมื่อวานแล้วก็รู้วันนี้นะรู้สึกเสียใจนะรู้สึกเสียใจนั่แหละให้โยมรู้ทันว่าตอนเนี้ยมันเสียใจอันนี้คือสภาวะที่ที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมการระลึกได้ก็โกรธเมื่อวานอันนั้นไม่ใช่ว่ามีสตินะอันนั้นเป็นแค่สัญญาณจําได้แต่การมีสติรู้ตัวคือเมื่อระลึกได้ก็เมื่อวาันโกรธแล้วตอนนี้ใจมันเสียใจ รู้ว่าใจมันเสียใจเนะี่ยคือการมีสติ <c oughs> นั่นคือมีสติคือรู้ทันตรงนี้นะบางทีเขาก็บอกเออถ้าแบบนี้ก็ใช่เพราบางเพราะบางครั้งเวลาเขาหลงไปเรารู้ทันเร็วนะรู้ทันได้เร็วเขาจะดีใจแล้วดีใจก็จะไปไปอยู่อาการดีใจเนาะดีใจที่รู้ได้เร็วนะั่นนะหมายว่าถ้าสมดรู้เร็วแล้วใจมันดีใจ ให้รู้ทันใจที่ดีใจอันนี้คือคือสภาวะทั้งที่เกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมนี่คือมันเปลี่ยนเร็วมากนะใจมันเปลี่ยนนะมันมันเกิดต่อเนื่องกันนะเกิดต่อเนื่องกันเรื่อยๆอันนี้คือสภาวะที่ถ้าเราภาวนาในชีวิตประจําวันโยนแล้วก็ดูวอารมณ์พวกนี้นเกิดขึ้นในขณะที่คุยโทรศัพท์ในขณะที่ดูข่าวในขณะที่คุยกับเพื่อนมันเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาใช่ไหม ดีใจเสียใจหรือเฉยๆก็ดูมันตัมันแต่ไม่ใช่ไปคอยดูนะไม่ค่อยไปคอยอืมอะไรเกิดเกิดการไปคอยดูนี่ก็ไม่ใช่นะมันปล่อยมันเกิดขึ้นก่อนถ้าเราค่ดูมันมันดูไม่ทันมันผ่านไปแล้วไม่ไม่น่าเลยนะให้รู้สึกสภาวะตัวนีคือรู้สึกความเสียใจที่มันไม่น่าเลยแต่เ น, นะ้ คือรู้รู้สึกแบบนี้นะแต่จริงถ้ารู้สึกเฉยเฉยเนี่ยบางทีมันก็ไม่เป็นภาษาหรอกนะมันเป็นเพียงแค่เรารู้สึกถึงถึงอาการของใจนะบางทีจะรู้สึกแค่หนักหนักแน่นแน่นหรือรู้สึกมันเหมือนมันออกสักหน่อยแต่บางทีเราก็พูดเป็นสมมุติว่าเป็นดีใจเสียใจใ น, นะแต่จริงเราก็แค่รู้อย่างเป็นสภาวะที่เป็นปรมัต ธ, ธรรมเนี่ยจะเต็มมากที่สุด นะแต่ถ้ารู้ใจไม่ชัดไม่เป็นไรรู้กายนะสติปัฏฐานมีสี่หมวด น, นะกายเวชนาจิตธรรมรู้อะไรชัดที่ตรงไหนก็รู้ตรงนั้นก่อนก็ได้นะหรือที่จริงพอเราฝึกเราฝึกอะไรบ่อยๆจิตมันจะจำสภาวะนั้นได้บ่อยแล้วในแต่ละวันมันจะรู้ตัวนั้นได้บ่อยเช่นถ้าเราฝึกรู้กายบ่อย บาทีเดินพนะุ๊บเนี่ยสติรู้ทันทีหยิบพุ๊บสติรู้ทันทีนะืางทีลราถ้าเรฝึกรู้จิตไวอารมณ์เกิดขึ้นมาพุ๊บมันก็จะรู้จิตใจได้ทันทีรู้จิตใจได้บ่อยขึ้นทันทีอันนั้นเราเรียกว่าความรู้สึกตัวเนาะมันจะทําให้สตินะมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมารู้ตรงที่ปัจจุบันได้ได้บ่อยมากขึ้นแล้วเราจะเห็นว่าความหลง หรือความคิดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นบ่อยมากปฏิบัติธรรมนัดจะเห็นความหลงเห็นความคิดเกิดขึ้นบ่อยมากเป็นธรรมดาบางทีเราไม่ชอบนะให้รู้ใจที่ไม่ชอบแต่จริงมันเป็นธรรมดาของของสภาวะนะแต่บางวันมันก็คิดน้อยก็มีอยู่เปปฏิบัติที่วัด น, น่ะสองสามวันแรกเนี่ยจะพุงเยพอวันหลังๆนี่ พุงน้อยลงอะมันเหมือนชินแล้วปรับตัวได้มันก็จะชินเอาแน่เอนอนไม่ได้นะอารมณ์เนี่ยมันกลับลมอะน่ะบางครั้งก็มีลมบางครั้งก็ลมเบาๆเหมือนกับฝนนะนะบางครั้งก็แรงบางครั้งก็เบาบางครั้งก็ไม่มีนะอารมณ์กับความคิดมันก็อย่างนั้นแหละเอาแน่อานอนไม่ได้นะบางครั้งก็แรงบางครั้งก็เบาบางครั้งก็มากบางครั้งก็น้อยนะดูนะให้เห็นตัวนี้แหละนะ อย่างที่เราสวดน่ะสัมผาสทั้งหลายน่ะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกมันไม่ใช่ตัวตนน่ยสัมผาสคือร่างกายแล้วก็จิตใจประมานันแหะให้เห็นความไม่เที่ยงให้เห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนมันจะพ้นจากความทุกข์พ้นที่ตรงไหนมันเห็นได้ที่ที่มันทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนมันคือร่างกายแล้วก็จิตใจแต่ไม่มีเราเป็นผู้ นมันเป็นเพียงแค่อาการทุกข์แต่ถ้ามีสติเห็นเฉยๆนะมันเหมือนทุกข์อยู่ตรงนี้ไม่ทุกข์ก็อยู่ตรงนี้นะอมันเหมือนสภาวะที่ดูเนี่ยมันไม่ทุกข์แต่อาการที่มันเกิดขึ้นนมันทุกข์นะเช่นหายใจเนะี่ยหายใจก็เพื่อแก้ทุกข์นะใช่ไหมเราหายใจเข้าอืมมันก็สบายขึ้นนะแต่หายใจแั้กัก้นไว้อะ มันก็ทุกข์กันนะก็ต้องปล่อยออกเราหายใจก็เพื่อแก้ทุกข์ข ย, ยับเขยืดเคลื่อนไหวก็เพื่อแก้ทุกข์มันเท่าทุกข์แต่ถ้าเราดูเฉยๆนะั้นมันจะเห็นเออร่างกายมันก็แสดงความทุกข์ให้เห็นแสดงความเปลี่ยนแปลงให้เห็นบันทีก็ปวดเมื่อยของมันเองเนะี่ยเราดูมันนะให้ตัวดูเฉยๆเนะี่ยมันจะมีทุกข์แต่ถ้าเราไปยึดไว้นะบางทีมันก็กลายเป็นสุขเป็นทุกข์ หายใจเข้าตอนที่เราหายใจเข้าเนมันสบายมีความสุขพอกั้นลมหายใจจะเริ่มทุกข์หายใจออกก็สุขพอปล่อยลมจะตุกนะถ้ามีเข้าอีกก็ทุกข์ร่างกายก็เหมือนกันถ้าเราไป็นแม่ผลร่างกายมากเกินไปนะตอนที่ร่างกายเราแข็งแรงตอนที่ปรับเปลี่ยนท่าใหม่ๆนะไม่เมื่อยนะเองกายลงนอนในห้องสบายนะ นอนไปสักพักหนึ่งก็จะเห็นว่ะมันไม่สบายแล้วมันเป็นทุกข์นะมันก็แสดงความจริงให้เราเห็นนะอืนั้นการมีสติจริงไม่ใช่การเป็นแน่ยอแต่มันเหมือนรู้นั้รู้แบบรู้แบบสัมผัสแต่มันออกมาไม่ใช่ไปเกาะถ้าเกาะมันจะเป็นถ้าร่างกายมัสุขเราก็จะสุขร่างกายมัทุกข์เราก็จะทุกข์ร่างกายมีเจ็บเราก็จะเจ็บไปด้วยจิตใจเจ็บแล้วแต่รู้ที่เฉ็นมัเหมนแค่รู้ รู้เบาๆรู้ว่าๆรู้แบบแตะแตะแล้วก็ปล่อยแตะแล้วก็ปล่อยเนี่ยเวลาเตือนขึ้นมารู้สึกรู้สึกแปะพลิกนือก็รู้สึกรู้สึกจบทีละคาัเหมือนแปะทีละครั้งจิตใจก็เหมือนกันโยบเกิดขึ้นมาพบรู้เนี่ยคืออาการรู้อาการรู้ การดูนะมันมันเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้นะอันนี้คือสภาวะที่ดูเนาะแต่ก็อยี่ยเทว่าแหละต้องเอาไปลองทําดูเนาะนะการปฏิบัตินะแต่โดยวิธีไหนก็นล แ, นะแล้วแต่นครูบาอาจารย์เขาจะเน้นให้เราปฏิบัติให้มากๆพูดให้น้อยเนะนี่ยยิ่งนะกสาคัญนะปฏิบัติให้มากพูดให้น้อยนะ ทำให้มากนะ่ะคิดให้น้อยน่ยนะแต่ไม่ใช่เป็นการห้ามนะคําว่าคิดให้น้อ ย, อยคือว่าบางทีเราสงสัยไม่ใช่ไปเดินไปคิดหาคําตอบอนะไรเนาะหรือไม่ใช่แบบจะถามให้มันรู้ให้ได้บางคนก็ชอบถามนะถามให้มันรู้อะประงานนะบางทีถามถ้าถามเพื่อเอาไปปฏิบัติก็โอเคนะแต่บางทีเราถามเพื่ออยากจะรู้ อันนี้มันไม่หายสงสัยหรอกะมันไม่หายสงสัยต้องทำต้องมาปฏปิบัติมันถึงจะดูได้ด้วยตัวของเราเองนะเมื่อเราอนจะจะไปนะอย จ, จะไปอินเดียไปดูนสัมเวยเป็นแบบไหนไปถามผู้รู้ที่เคยไปนะถามก็แต่มันมันก็รู้ไม่จริงนะแต่ถ้าถามว่าจะไปแบบไหนจะเดินทางไปแบบไหนอ่า แล้วก็ไปสัมผัสเนะี่ยโอเคนะเขาจะได้สัมผัสได้คำตอบด้วยตัวเองไงคือถามว่าไปแบบไหนทำอย่างไรแล้วพอไปสัมผัสได้จะเข้าใจแต่ถ้าถามอินเดียเป็นแบบนั้นแบบนี้นะสสัยไม่จบอกเเียวขี้วัวเป็นแบบไหนเนะที่เขาไปตาเนะี่ยมันไม่เคยเห็นมันไม่รู้สึกันนะคนปฏิวัติมีกี่ชาติเขา ท, ทาอยู่อย่างไรอย่างไงนะพูดไปเถอะนะถ้าไม่ไปสัมผัสจริงนะมันก็ไม่เห็น แต่จริงที่เราพูดก็อธิบายไม่ได้ทั้งหมดครับเราก็แค่พูดในมุมที่เราเห็นใช่ไห ม, มนี่คือสภาวะธรรมเหมือนกันเราฟังครูบาอาจารย์พูดก็คือสภาวะธรรมที่ท่านได้เห็นนะฮหรือที่ท่านเข้าใจนะที่จริงข้างก็มันก็เข้าใจหรือว่าสภาวะที่เห็นมันก็บางทีอาจจะอาจจะถูกจะติดกับโยมหรือไม่ถูกก็ติดกับโยมต้องเลือกไปด้วยตัวเองนะอืมก็ฝากไว้นะก็นะเดีย๋ยว จะได้อยากย้ายไปฏิบัตินะสําหรับผู้ที่ทำใจมาปฏิบัติ